อันเนื่องมาแต่ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพริธะทธศเถระหมอมหลวงกิตินพวงศ์ข้าจากหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์ฉบับที่หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบห้าปัญหาที่เป็นเหตุให้ต้องมาเขียนเรื่องนี้มีอยู่ว่าเป็นไปนได้หรือที่พระอาหารหันต์จะมาสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นจนกระทั่งถึงแสดงท่านิพพานให้ท่านรู้ต่างๆกัน ในเมื่อไม่ปรากฏในพระบาลีว่าพระอระหันนิพพานไปแล้วจะมาทําเช่นนั้นเหตุผลเท่านั้นที่ทําให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์ทําให้คนฉลาดแตกต่างจากคนโง่แต่ก็ต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความจริงแท้มีใช่สักแต่ว่าเป็นเหตุที่คนสามปัญญาคว้ามาถือแล้วก็ไม่ถือไว้ตามลําพังตนยังพยายามจะให้คนอื่นทั้งหลายถือไว้เหมือนตนด้วยให้กลายเป็นผู้สามปัญญาเหมือนตนด้วย ก็ถูกต้องที่ไม่มีปรากฏในพระบาลีว่าพระอระหันต์ที่นิพพานไปแล้วจะมาสนธนาธรรมกับคนที่ยังไม่นิพพานแต่ก็ไม่มีปรากฏในพระบาลีเลยว่าพระอระหันต์ที่นิพพานแล้วจะมาทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดในกรณีนี้เหตุผลต้องอยู่ที่ตรงนี้อะไรที่ไม่ถูกนำมาเอ่ยนั้นไม่จำเป็นต้องไม่มีอยู่ปราทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงทั้งหลาย ท่านทราบในขณะที่จ อ, อมปราดจอมปลอมไม่อาจรู้ได้ว่าว่านอกจากธรรมที่ปรากฏในพระบาลียังมีอะไรอะไรที่อัศจรรย์วิจิตรพิศดารอีกมากนะักผู้ที่เกิดมาไม่เคยปฏิบัติธรรมหมกมุ่นวุ่นวายอยู่แต่กับความสกปร ก, สกโสโครพกทุกลมหายใจเข้าออกจะรู้จักสิ่งบริรสุทธิ์สงูงส่งหาใดเสมอเหมือนมิได้ได้อย่างไรระหว่างพระกับมารใครหลงเชื่อมารมารก็พาไปนรกเท่านั้น ท่านอาจารย์ม่านก็ตามท่านอาจารย์พระมหาบุก็ตามท่านเป็นพระหรือถ้ามาอยากจะเชื่อใครทั้งนั้นในเรื่องนี้อยากจะเชื่อตัวเองก็ต้องทำตัวเองให้เหมือนท่านอาจารย์ท่านเสียก่อนให้เห็นเท็จและจริงด้วยตัวเองเสียก่อนนั่นแหละแล้วจึงคนอ้าปากวิจารเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่พ้นต้องเป็นคนโง่ตัวใหญ่ที่คิดจะยกตัวให้สูงขึ้นด้วยการพยายามปีนป่ายียบย่า กระเทือมยอดเจดีปัญจุพระบรมธาตุท่ามกลางสายตาของพุทธศาสนิกชนจะพ้นสภาพย่อยยับไปไม่ได้เลยการเข้าใจความพระบาลีให้ถูกต้องนั้นอย่าคิดว่าง่ายต่อให้ได้ชื่อว่าเป็นปราทางโลกอ่านหนังสือหมดโลกก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันนิผ่านแล้วจะต้องดับสิน้นถึงขณะที่ไม่มีเรื่องจะพูดถึงท่านได้อีกต่อไปจริงและทุกวันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่อย่างไร ในเมื่อท่านนิพพานไปเสียแล้วหรือทุกวันนี้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียแล้วที่ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดกันนั้นหมายถึงให้ถือลมถือแรงหลอกหรือไม่มีความจริงกระนั้นหรือปฏิเสธเสียก่อนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาระสูงสุดของเราไม่มีในปัจจุบันปฏิเสธเสียก่อนว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพไม่มีในปัจจุบันแล้วนั่นแหละจึงปฏิเสธเรื่องราว ระหว่างพระอาหารหันต์ที่ทั น, นิพานแล้วกับท่านพระอาจารย์มั่นได้ต่อปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพร ะ, พระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระโดยพระมหาบัวยานสัมพันโนวัดป่าพันตาอุดรธานีนับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบห้าเป็นต้นมาได้มีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหลายท่านทั้งใกล้และไกลทยอยกันมาถามปัญหาธรรมในแง่ต่างๆทั้งอุตสามาด้วยตัวเอง ทั้งมีจดหมายมาถามมิได้ขาดแทบตอบไม่หวาดไม่ไหวต้นเรื่องมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่23มีนาคม2515โดยท่านคริสต์เป็นผู้เขียนขึ้นความจริงท่านก็เขียนดีน่าฟังอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาที่ควรยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงขนาดที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้เพื่อช่วยกันแบ่งเบาไปบ้าง จึงขอเรียนตอบด้วยการเล่าเรื่องท่านอาจารย์ม่านให้ฟังซึ่งบางเรื่องเห็นว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เพียงเท่านี้ก็พอทำให้คิดและทราบได้ในหลักใจของชาวพุทธเราว่ายังมีท่านที่ลังเลสงสัยธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากจึงทำใหว้วิตกถึงปฏิเวธรรมที่เป็นผลแสดงขึ้นในลักษณะต่างๆกันจากการปฏิบัติของท่านผู้บาเพ็ญอยู่ไม่น้อยว่า น่าจะเป็นธรรมสุดเอื้อหมดหวังในสมัยปัจจุบันเพราะความจริงใจในธรรมีน้อยเนื่องจากทุ่มเทไปทางอื่นเสียมากไม่ได้คานึงเหตุผลพอประมาณจึงอดคิดเป็นห่วงมิได้ในเรื่องดังกล่าวมาเฉพาะ อ, องค์ท่านพระอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเทดิดทูลสุดจิตสุดใจนั้นแม้ท่านจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และตนิติชมในลักษณะยกขึ้นทุ่มลงหรือด้วยวิธีการ ใ, ใด จนไม่มีชิ้นส่วนอะไรติดต่อกันและกลายเป็นผุยผงไปตามอากาศข้ตามผู้เขียนไม่ได้มีอะไรหวั่นวิตกไปด้วยท่านเลยแม้กิเลส จ, จะแสนหนาแน่นภายในใจอยู่ขณะนี้ก็เถิดแต่ที่ไม่แน่ใจอยู่เวลานี้คือความรู้ภายในของท่านพระอาจารย์มั่นประเภทที่ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าความคาดคิดด้นดาวของสามัญธรรมดาทั่วไปเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้ครองพระไตรปิฎกแต่ไม่เคยสนใจมองลู้เข้าใจทนว่าเป็นอย่างไรบ้างเลย มีแต่เที่ยวกว่าต้อนล่าทำท่านที่รู้เห็นจากการปฏิบัติทางจิตตภาวนาในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นให้เข้าสู่วงจำกัดคือพระไตรปิฎกโดยทายเดียวนั่นแหละที่น่าเป็นห่วงมากกลัวว่าอกจะแตกไปซะก่อนทั้งที่ทำท่านที่กําลังถูกวาดต้อนก็ยังไม่เข้าสู่จุดมุ่งหมายให้หมดสิ้นไปได้เมื่อมีเหตุอันควรกล่าวถึงองค์ท่านอาจารย์มั่นอีกผู้เขียนก็จะกล่าวถึงความรู้ท่านที่ยังไม่เคยกล่าวเสียบ้าง เือท่านที่มีความสามารถในทางนี้จะได้ช่วยกวาดต้อนติชมไปตามนิสัยซึ่งอาจเป็นการช่วยสังขายาณนกรองทําเถื่อนให้หมดสิ้นไปเหลือไว้แต่ทำของจริงรุนรุนหากอยู่ในฐานะที่ควรเป็นได้ลําพังผู้เขียนเพียงคนเดียวไม่อาจเห็นความผิดพลาดและความบกพร่องของท่านและของตนได้โดยทั่วถึงจึงขอเล่าเรื่องท่านแต่เพียงเอกเทศไว้ณที่นี้บ้างท่านเคยเล่าให้สามุสิทธิ์ฟังในโอกาสต่างๆกันอยู่เสมอมาว่าวันคืนหนึ่งหนึ่ง ทำประเภทต่างๆปรากฏขึ้นภานในใจท่านเสมอจนไม่อาจคณะน า, นาสิ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้เห็นก็รู้เห็นขึ้นมาเรื่อยๆจึงทําให้ท่านแน่ใจหายสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายหลังจากตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วจนถึงการเสด็จปรินิพานว่ามีมากต่อมากราวทองฟ้ามาหาสมุทรสุดจะประมาณได้ธรรมที่เป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นโดยเฉพาะ ไม่อยู่ในวิสัยของสาวกเจพุงรู้ได้ก็ดีทำที่อยู่ในวิสัยของสาวกวางองค์อาจรู้ทำได้แต่ไม่อาจแสดงให้แก่ใครรู้และเข้าใจได้ก็ดียังมีอีกมากมายท่านว่าทำที่ไม่ได้จารึกไว้ในพระบาลีแห่งพระไตรปิฎกนั้นเทียบกับน้ําในมหาสมุทรส่วนทำที่มาในพระไตรปิฎกนั้นเทียบกับน้ําในตุ้มในหายเท่านั้นเองจึงน่าเสียดายที่พระพุทธเจ้าและ พระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญนิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีจึงมีผู้คิดได้และจารึกทำเหล่านั้นขึ้นสู่คำพีตามความสามารถของตนซึ่งโดยมากการจารึกก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้จะทำอีกเช่นกันจึงไม่แน่ใจว่าจะได้ทำที่ถูกต้องแม่นยำถึงใจเสมอไปไว้ต้อนรับอนุชนรุ่นหลังได้อ่านได้ชมเพียงไรเฉพาะความรู้สึกของผมเองว่าทำที่ออกจากพระอ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งฉายออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นเป็นธรรมถึงใจสุดจะกล่าวเพราะเป็นธรรมที่ถึงเหตุถึงผลอยู่กับพระทัยที่บริสุทธิ์ ล, ล้วนแล้วจึงเป็นธรรมที่อัศจรรย์และมีอนุภาพมากผิดธรรมดาผู้รับจากพระโอษ์จึงมีทางบรรลุมรรคผลไง่ายและมีจํานวนมากมายเหลือจะพรน า, นาบรรณาธรรมเหล่านั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกแสดงย่อมเห็นผลประจักษ์แก่ผู้รับฟังอย่างถึงใจ ส่วนพระตรายปิดกที่พวกเราศึกษาจดจำกันมานั้นมีใครบ้างได้บรรลุมากผลในขณะที่กำลังฟังและศึกษาอยู่แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีผลเมื่อเป็นเช่นนี้ทำทั้งสองนั้นทำใดเป็นธรรมที่มีคุณค่าและน้ำหนักมากกว่ากันเล่าลองพิจารณาดูสิพวกท่านทว่าผมหาเรื่องปลาเทมาพูดสำหรับผมเองมีความรู้สึกอย่างนี้และเชื่ออย่างเต็มใจว่า ทำจากพระโอษฐนั่นแลคือทำประเภทถอนรากถอนควรกิเลสทุกประเภทได้อย่างถึงใจทันควันต่างพระองค์ทรงใช้ถอนถอนกิเลสแก่มวลสัตว์มาแล้วจนสะเทือนโลกทั้งสามผมจึงไม่ประสงค์และส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเย่อหยิ่งทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคำพีเวลาอยู่เปล่าๆโดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัวแต่มัวประยุทธ์ธรรมที่ศึกษามาทายเดียวซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า มาเป็นสมบัติของตนด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอโตแล้วทั้งที่กิเลยังกองเต็มหัวใจยิ่งควงภูเขาไฟไม่ได้ลดน้อยลงบ้างเลยจงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่ า, เ, ลาเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่าไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลยการกล่าวทางนี้ผมไม่ได้กล่าวเพื่อประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมย่อมเป็นธรรมทั้งธรรมในใจและธรรมนอกใจ คือทำในบาลีพระไตรพิตกแต่ทำในพระทัยที่พระสเจ้าทรงแสดงเองพุทธบริษัทได้รับมรรคผลต่อพระภักของพระองค์แต่ละครั้งมีจํานวนมากส่วนธรรมที่จารึกขึ้นสู่คัมภีร์เวลา น, นั้นมีผลผิดกันอยู่มากดังที่ปรากฏในตำราฉะนั้นธรรมในพระทัยจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆแต่เมื่อพระองค์และพระสาวกซึ่งเป็นเจ้าของเสด็จเข้าสู่นิพพานแล้วจึงมีผู้จารึกภายหลัง ซึ่งอาจแสงไปด้วยความรู้ความเห็นของผู้จดจารึกอันเป็นเครื่องยังทํานั้นให้ลดคุณภาพและความศักดิ์สิทธิ์ลงตามส่วนใครก็ไม่อาจทราบได้นี่เป็นคําที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดดูเสมอกรุณาท่านที่สงสัยถามมาโดยทางจดหมายวินิจฉัยตามที่เรียนมานี้ส่วนที่นอกเหนือไปจากคําที่ท่านเคยพูดไว้ผู้เขียนไม่อาจวินิจฉัยให้หายสงสัยได้เพียงแต่ประคองร่างเสื่อชีวิตไปเป็นวันๆก็ยังหกล้มก้มกราบอยู่แล้ว จึงกรุณาเห็นใจและขออภัยมากๆไว้ณที่นี้ด้วยส่วนท่านที่ถามมาตามหนังสือสยามรั์ตอนสุดท้ายว่าที่หลวงพ่อมันท่านต่อสู้กับความโง่หลงงมงายของมนุษย์ท่านได้ใชยชนะทําให้ใครได้ความฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่าสําหรับท่านผู้เขียนประวัติท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนั้นถ้าพอมีสติระลึกต้นได้อยู่บ้างว่ายัางโง่ยังหลงมำงายอยู่หรือไม่หรือฉลาดจนถึงไหนแล้ว และเห็นว่าวิธีการที่ท่านดําเนินเป็นนิยาได้กระทาอยู่บ้างทํานั้นและวิธีนัานก็ทําคนโง่ให้ฉลาดและทําคนหลงให้รู้สึกตัวได้ไม่ตายเปล่าแบบท่านอาจารย์มั่นซึ่งกําลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ไม่มีใครอาจแก้ให้ถูกไปได้ถ้าไม่แก้ที่ตนซึ่งกําลังเป็นปัญหาตัว ย, อยาอยู่กับทุกคนว่าจะตายเปล่าหรือจะตายที่เต็มไปด้วยอะไรบ้างด้วยกันไม่มีข้อยกเว้นและท่านที่ถามอย่างกว้างขวางแล้วมาสรุปความลงว่า การวิจารณ์ว่าเรื like ่องพระอรหันต์มาสนธนาธรรมและมาแสดงท่านิพพานต่างๆคันให้ท่านอาจารย์มั่นดูมิได้มีในพระบาลีนั้นจริงไหมการวิจารณ์เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ท่านเป็นผู้เรียบเรียงจะวินิจฉัยว่าอย่างไรขอคําแนะนําด้วยปัญหาเหล่านี้เข้าใจว่าได้เรียนตอบลงในคําบอกเล่าของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเขียนผ่านมาแล้วผู้เขียนไม่ใช่คนวิเศษวิโสเป็นคนใหญ่คนโต มีความรู้ความฉลาดเรื่องเลือมาจากโลกไหนก็เป็นคนสามัญธรรมดาที่มีกิเลสเต็มหวใจเราดีๆนี่เองท่านผู้วิจารณ์และท่านผู้อ่านทั้งหลายก็เข้าใจว่าคงเป็นคนสามัญธรรมดาด้วยกันส่วนท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัตินั้นท่านเป็นพระประเภทใดผู้เขียนไม่กล้าอานเอือ้อมวิจารณ์ทํานายท่านได้กลัวตกนรกทั้งเป็นอย่างอาลัยเสียดายอยากอยู่ในโลกเหมือนคนทั่วๆไปอยู่ การที่ความรู้ความเห็นของท่านพระอาจารย์มั่นจะมีในพระบาลีหรือไม่นั้นถ้าพระตัดตรปิฎกไม่ได้ตั้งตัวเป็นกองปราบปรามผูกขาดผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิจะรู้ได้ในธรรมทั้งหลายตามวิสัยของตนแรงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงรู้เห็นมาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าทําเหล่านี้และท่านเหล่านี้จะพอเป็นความจริงเป็นความถูกต้องได้และเป็นสารณะของโลกได้ก็เป็นมาก่อนพระบาลีแล้ว ถ้าปลอมก็ปลอมมาแล้วอย่างไม่มีปัญหาจึงขอให้ท่านวินิจฉัยเลือกเอาตามชอบใจว่าจะเอาพุทธังธรรมังสังคังสราณังคาฉามิหรืออะไรอะไรผ่านสายตาสัมผัสใจก็สราณังคาฉามิร่ำไปแบบกินไม่เลือกแต่เวลาเจอก้างเอวัง